ที่เป็นชาวพุทธและพอรู้เรื่องพุทธศาสนาอยู่บ้างนะย่อมตระหนักดีนะว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทั้งต่อพุทธศาสนาแล้วก็ต่อตัวเรานะเป็นส่วนตัวเพราะว่าการเป็นชาวพุทธของเราก็คือการน้อมนำ เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มาปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่บูชาคารบสักการะพระองค์เท่านั้นนี่วันวิสาขบูชาเนี่ยนะเป็นวันที่มีความสำคัญนะโดยตรงเลยนะเกี่ยวกับพุทธประวัติเพราะว่าเป็นวันที่ชวนให้เราลึกถึงการประสูติตัรลุแล้วก็ปรินิพพานของพระพุทธองค์ทั้งสามเหตุการณ์เนี่ยนะ เป็นเหตุการณ์สำคัญนะเรียกว่าเหตุการณ์สำคัญที่สุดเลยนะในพุทธประวัตินั้นมองในง่นี้เนี่ยวันวิสาขาบูชานี่ก็เป็นวันที่เชื่อมโยงเราโดยตรงนะกับพระพุทธเจ้าซึ่งเรานับถือเป็นพระบรมศาส ด, ดาแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปเนี่ย วันวิสาขาบูชาเนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติเท่านั้นนะแต่ยังสะท้อนหรือสื่อความหมายในทางธรรมด้วยเพราะว่าการประสูตรก็ดีการปรินิพนฑ์ก็ดีของพระพุทธองค์เนี่ย มันเป็นการแสดงถึงสัจธรรมความจริงนะว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปมีแล้วยอมหายไปเมื่อมีเกิดแล้วก็ย่อมมีตายนั่นนี่คือสัจธรรมความจริงนะที่ไม่มีใครหนีพ้นและการประสูตรและประทิพย์าของบุชาเนี่ยก็เป็นการยืนยัน ถึงสัจธรรมที่ว่าว่าแม้แต่พระองค์นะซึ่งเป็นพระบรมศาสดา ห, หรือเป็นมหาบุรุษนะก็หนีไม่พ้นสัจธรรมที่ว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการจัดสรุ้ของพระองค์นี้ก็ชี้เห็นนะว่ามนุษย์เรานี้สามารถที่จะพ้นทุกเหนือเกิดเนื้อตายได้หากว่า มนุษย์เราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงหรือเห็นแจ่มแจ้งในสัจธรรมอย่างที่พระองค์เนี่ยนะที่ตัดสรุ้เนี่ยตัดสรู้อะไรนะก็ตัดสรู้นะในสัจธรรมความจริงโดยเพราะในระดับปรมัตถธรรมการที่พระองค์เห็นแจ้งแทงตลอดในสัจธรรมก็ทําให้ ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารเป็นเพราะการเข้าถึงสัจธรรมของพระองค์เนี่ยพระองค์จึงได้ตัดสรรูปเป็นพระพุทธเจ้านังการประสูตรตัดสรปปรูวรรณะพานเนี่ยก็มีจุดศูนย์กลางนะอยู่เรื่องของสัจธรรมแต่ว่า ถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยวันวิสาขาบูชาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นวันที่ทาให้รัต น, นักถึงความสำคัญของสัจธรรมรวมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงสัจธรรมที่ละ ว, วัจริยธรรมเท่า น, นั้นนะถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยมันยังชี้เห็นถึงความสำคัญของธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะ นั่นคือธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญนะของการประสูติตัดสู่และประิยญิพานของพระพุทธเจ้าจะว่าเป็นหลังฉากหรือเป็นเบื้องหลังก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ย เป็นองประกอบสําคัญเลยทีเดียวนะไม่ใช่เฉพาะการประสูตรหรือปรินิพานผู้จารย์แต่รวมเป็การตัดสรุปด้วยเราก็ทราบรอยู่แล้วนะว่าผู้จา้าเนี่ยประสูตรใต้ต้นไม้ปรินิพานใต้ต้นไม้และสี่สำคัญคือว่าพงตัดสรุปใต้ต้นไม้ด้วยและนี่ไม่ใช่เป็นความบังเอิญ น, นะที่พระองค์เนี่ยตัดสรุป ใต้ต้นโพนะหรือซึ่งสมัยก่อนนีเ่เรียกว่าไม้อัศจรรย์มันเรียกว่าต้นโพภายหลังจากที่พระองค์ได้ตัดรู้เป็นพระเจ้าการที่พระเจ้าเนี่ยตัดสู่ใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติอ่อนร่มรื่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญ น, นะแต่เป็นความตั้งใจของพระองค์เลยทีเดียว เพราะว่าตอนที่พระองค์เนี่ยได้เสด็จออกม า, าพิเสเศสกลมแสวงหาคนทางตัสสรูุและจากชีวิตทางโลกเนี่ยพระองค์ก็เดินทางนะส่วนหนึ่งก็แสวงหาสถานที่ที่จะเหมาะสมสำหรับ ก, การทำความเพียรแล้วก็ไปเจอสถานที่อย่างหนึ่งนะ ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมริมฝั่งแม่น้ำเนรันชลาพระองค์ประทับใจในสถานที่แห่งนั้นมากดังได้ทรงกล่าวต่อมากับสามนุสิ์ว่าเนี่ยสถานที่แห่งนี้เป็นที่โรมนีหนอมีภัยสนร่นรื่น่าชื่นบานมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำไหลยเย็นนาชื่นใจ ทั้งชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียบนะแล้วก็มีโครจรคามคือที่บินทบาทนะที่พร้อมแล้วพลังก็ตัดว่าเนี่ยสถานที่อย่างเนี้ยเหมาะที่จะบำเพ็ญภาวานาสำหรับกุลบุตรแล้วพลังตัดสินใจเลยนะว่าจะทำความเพียรณจุดนั้น และในที่สุดนะพระงก็ตัดสร้พุภสษามาสัมุทิยานเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เช่เห็นนะว่านอกจากความเพียร น, นอกจากความมุ่งมั่นในการที่จะบำเพ็ญธรรมเพื่อการหลุดพ้นแล้วเนี่ยธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมาก ที่ทำให้พระองค์เนี่ยตัดสินใจที่จะบาเพ็ญเพียรณจุดนั้นและจุดนั้นเนี่ยให้สังเกตนะพระองค์ใช้คาว่าถิ่นโรมานีสถานที่นี้เป็นที่โรมานีหนอคาว่าโรมานีเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นคำมันเป็นแนวคิดเป็นธรรมะ ท, ที่สำคัญในพุทธศาสนาเลยนะ เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่พูดถึงถิ่นโรมณีในเหตุการณ์นี้เท่านั้นนะแต่พระองค์ยังพูดถึงถิ่นโรมณีเนี่ยอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเมื่อมีวัดหรืออารามแห่งแรกในพุทธศาสนาคือัวลุวันนียท่านก็เลือกจุดที่มันเป็นที่โรมณี และอารามในพุทธศาสนานับแต่นั้นมาไม่ว่าจะเป็นเชโตวันมหาวันนะก็ล้วนแต่เป็นที่ร่มเงินที่ร่มางินเนี่ยนะหมายความว่าเป็นที่ที่ร่มรื่นนะเป็นที่ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้แล้วก็ร่มเย็นด้วยสายน้ำ หรือถ้าจะสุกง่ายๆคือว่าน้ำอุดมร่มลื่นโดยปรึกษาอันนี้เป็นคำสรุปนะของสมเด็จพระพุโรโคศาส์าจารย์เนี่ยควาว่ารมานีเนี่ยนะอย่างที่ว่านะมันเป็นธรรมะหรือแนวคิดที่สำคัญในพุทธศาสนาแต่ว่าถูกลืมเลือนไปเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้นึกถึงความสำคัญของถิ่นรมานีเท่าไหร่ ทางทั้งที่ทินโรมนันนีเนี่ยนะเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่า ง, งสมเด็จพระธุศาสจาชาเนี่ยท่านถึงกล่าวถึงกับกล่าวว่าเนี่ยที่รมันีเนี่ยทิมรมันีเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งต้นของพุทธศาสนาหรือทีเดียวพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มต้นหรือตั้งต้นเนี่ย ตรงจุดที่เป็นที่โรมาเนียและนับแต่นั้นมาเนี่ยพุทธศาสนาก็สืบทอดต่อมาอย่างยาวนานก็โดยอาศัยถิ่นโรมาเนียเนี่ยโดยเพราะสิ่งที่เป็นสถานที่ที่เป็นอารามอย่างที่ได้พูดไปสักครู่นะว่าเนี่ยวัดในพุทธศาสนาตั้งแต่ พุทธการนี่ด้วยแล้วแต่เป็นที่โรมันีรมรื่นด้วยต้นไม้แล้วก็บางทีก็มีสายน้ำเรีก ว, ว่เป็นเอกลักษณ์เลยนะของวัดในพุทธศาสนาในประเตศปิดงเนี่ยเวลาพูดถึงวัดในสาวพุทธการเนี่ยจะต้องห้อยท้ายด้วยคำว่าโรมันีไม่ว่าจะเป็นเชตวันเวลุวันนะ รัฐวันมหาวันเนี่ยแล้วก็เป็นที่รู้กันเลยนะในหมู่ชาวพุทธแล้วก็ผู้คนในชายวัฒการยอย่างวัศกรพรามณ์เนี่ยนะซึ่งเป็นอมตะของพระเจ้าอาชาสัตตรเนี่ยหลังปรินิพพานนะวัศกรพรามเนี่ยก็เจอพระอานนท์ประโยชนหนึ่งที่วัศกรพราม์ถามพระอานนท์คือว่า เวรุวันยังเป็นที่โรมนีอยู่อีกหรือนะเพราะว่าคนก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยเมื่อสิ้นพระเจ้าเนี่ยนะความเป็นรมนีของวัดรวมทังเวรุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกนี่ก็จะค่อยๆเสื่อมไปแต่ที่จริงแล้วนี่แม้พระเจ้าจะเสด็จดับขันปณิพันธ์นะวัดในสายพุทธการสืบทอดลงมาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ยังคงความเป็นทิ่นโรมนันีเป็นที่ที่สงบสงัดมันสําคัญอย่างไรนะสถานที่หรือทินโรมันีเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่ที่เกื้อกูลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนนะอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะที่ไหนที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มันก็มีน้ําท่า นะอุดมสมบูรณ์มีปัจจัยสี่ที่เกื้อกูลต่อการยังชีพของผู้คนแต่ว่าจินโรมนันีเนี่ยนะยังมีความสำคัญนะต่อการประพฤติปฏิบัติการทำความเพียรการฝึกจิตการเจริญภาวนาอย่างพระเจ้าเนี่ยนะเราจะสังเกตได้นะ องจะแนะนำให้ประสง์สาวกทั้งหลายเนี่ยไปทำความเพียรในป่าทามกลางธรรมชาติอาศัยคนไม้เป็นที่ที่เจริญภาวนาเพราะว่าความสงบความร่มรื่นของธรรมชาติหรือของถิ่นลรมานีเนี่ยนะ มันก็เอื้อกูลต่อการภาวนาเป็นอย่างยิ่งมีพาาระอรหันต์หลายท่านนะตอนที่ยังแม่บรรลุธรรมเนี่ยได้เข้าไปในป่าได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีธรรมชาติอร่มรื่นแล้วก็เกิดความประทับใจไม่ใช่เพราะธรรมชาติสวยงาม แต่เพราะธรรมชาตินั้นเกื้อกูลนะันต่อการทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาอย่างพระอาหารหันต์ท่านหนึ่งเนี่ยตอนที่ท่านยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยนะคือพระเอกวิหารีเนี่ยท่านเล่าว่าเนี่ยท่านได้พูดถึงความประทับใจจากการที่ได้บาเพ็ญเพียร หวามกลางธรรมชาติที่สงบสงบจงทั้งอุทานเนี่ยเป็นคำที่ไพเราะมากยามเยน็นยามสายลมเย็นพิริ่อ่อนกิ่นหอมอบอวลตลบไปทั่วทิศฉันนั่งสงบจิตนยอดผาจับเพียงขจัดอวิชาไปจากใจ และสุดท้ายท่านก็สามารถที่จะขจัดอวิชชาออกไปจากใจได้จนกระทั่งบรรลุถึงอรัตผลนะก็อาศัยธรรมชาติที่สงบสงัดคณะที่ท่านนั่งอยู่ที่หน้ายอดผาอภิษฎสาวะงสตร์สาวะวสธการมานี่ท่านก็อาศัยธรรมชาตินี่แหละนะไม่ใช่เป็นแค่ฉากหลังนะ แต่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมการเจริญภาวนาจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลหรือว่าบรรลุอริยภูมิเป็นภาริยเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดในสมัตพุการเป็นต้นมาเนี่ยท่านจึงพยายามรักษาความเป็นถินโรมณีเอาไว้ ซึ่งก็เท่ากับเป็นการช่วยสืบต่อสืบอายุศาสนาเพราะว่าธรรมะที่ท่านได้บรรลุหรือเห็นแจ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้พุทธศาสนาเนี่ยได้สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นั้นจึงพูดได้ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ ทินโรมณนีไม่ใช่เป็นแค่ที่ตั้งต้นของพุทธศาสนานะแต่ว่ายังเป็นสิ่งที่ช่วยสืบทอดนะพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนยาวนานนะจนมาถึงเราทุกวันนี้ครูบาอาจารย์นะก่อนหน้าเราเพียงแค่ไม่กี่รุ่นนะก่อนหน้านี้เนี่ยจางยังสืบทอดประเพณีนี้นะ ก็คือการทาวัดให้เป็นที่รมณีรวมทั้งการไปบาเพ็ญเพียรท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดและเมื่อได้รู้แจ้งเห็นธรรมแล้วเนี่ยต้องกลับมาสั่งสอนญาติโยมท่ามกลางธรรมชาตินะที่สงบสงัด อย่างหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะท่านเมื่อได้รู้ธรรมแล้วเนี่ยท่านก็มาเลือกสถานที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นป่าที่ร่มครึ้มมาเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นสํานักจนเกิดวัดป่าสุกตขึ้นมาท่านเลือกที่จะ อยู่ในป่าเพื่อที่จะได้อาศัยป่าเนี่แหละนะเป็นเครื่องส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งของพระและของญาติโยมหลวงพ่อท่านเคยกล่าวว่าเนี่ยธรรมชาตินี่ให้คาตอบชีวิตของให้คำตอบชีวิตแก่ท่านหลายอย่างบางครั้งท่านมีความสงสัย ก็ตแต่คำตอจากธรรมชาตินี่แหละทั้งจากต้นไม้จากสายน้ำจากสิงสาระสรรอันนี้ไม่ต่างจากหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านชอบจารึกทุดงเข้าไปในป่าลึกตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มไม่ค่อยจะอยู่ประจำวัด จกนกระทั่งเป็นที่เพ่งเล็งของพระผู้ใหญ่พราพระผู้ใหญ่เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะท่านต้องการให้พระเนี่ยอยู่ประจําที่ถ้าพระไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งถือว่าเป็นพระจ่อระจัดนผิดนโยบายคณะสงฆ์ก็ต้องมีการกำราบหรือการห้ามปราบอย่างพระราชาคณะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะเมื่อได้มาพบหลวงปู่มั่น ก็ได้สักถามว่าเนี่ยยาคูมันเนี่ยเธอชอบท่องเทียวไปในป่าเขาแต่พูดเดียวอย่างนี้เนี่ยจะได้ฟังทำจากซาธมิกรหรือจะได้รับการตักเตือนได้อย่างไรพูะป่รมากก็ตอบว่าเนี่ยประดีดพระคุณอย่าได้ห่วงกับผมเลยกับผมท่องเทียวอยู่ในป่าเขาเนี่ย ได้ฟังเสียงธรรมะจากศาสตรธรรมิกตลอดเวลาหมือนจะเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงจิ้งหรีเรลายเสียงช้างป่าเ ส, เสียงสิงสาลสัมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเสียงธรรมะเขามาสอนมาเตือนให้กับผมรู้ว่าจะเป็นใครมาจากไหนอยู่อย่างไรและจะไปอย่างไรต้นไม้ที่เขียวขจี ทิ้งใบทับถมหรือต้นไม้ที่ตายซ่ากก็ลแล้วแต่เป็นธรรมะนะที่สอนที่เตือนให้ก้าวของผมมีสติสัมปชัญญะวันนั้นเนี่ยตั้งก็อาศัยธรรมชาตินี่แหละนะแล้วอาศัยจินลมณนีเนี่ยเป็นเครื่องสอนเป็นเครื่องบอกให้เห็นให้เข้าใจในสัจธรรม จนกระทั่งท่านได้กลายเป็นครูบาอาจารย์นะที่มาสอนญาติโยมสอนพระสงฆ์นะจนกระทั่งกลายเป็นสายการปฏิบัตินะที่มีผู้คนนะเคารพนับถือมากอันนี้ก็เพราะว่าท่านอาศัยธรรมชาติอาศัยจินรมนีเนะี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทําความเพียร แล้วก็ในการเผยแพ่เพราะนั้นเนี่ยจึงพูดได้ว่าเนี่ยชินโรมนี้เนี่ยนะมันเป็นธรรมะเป็นข้อธรรมที่สำคัญในพุทธศาสนาแต่ว่าถูกลืมเลือนไปและเนี่ยคือสิ่งที่ชาวพูดเราควรจะตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะนำเอา ความสำคัญของถิ่นรมนีเนี่ยกลับมาใหม่นะสู่พุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดประเพณีคำสอนของครูบาอาจารย์ที่แต่นายตะลายมาท่านไม่เพียงแต่อาศัยป่าอาศัยธรรมชาติอาศัยที่ทรมนีในการทำความเพียรเท่านั้น แต่ท่านยังช่วยกันอนุรักษ์ถนอมรักษาธรรมชาติถิ่นรมณีเอาไว้ให้ยั่งยืนเท่าที่จะทำได้พระสมัยก่อนเนี่ยจริงๆตั้งแต่สายพุทธกายนต้นมาเนี่ยถ้าไม่เพียงแต่เลือกที่จะไปอยู่ในที่ที่ร่มรื่นสงบสงัดแต่ว่าท่านยังช่วยกัน ร, รักษาความร่มรื่นของธรรมชาติเอาไว้ เรียกว่าใครจะมาแตะต้องนี่ก็จะไม่ยอมเลยทีเดียวอย่างมีเรื่องรล่าในสมัยรัชกาลที่สองนะว่าเนี่ยรัชกาลที่สองเนี่ยจะเสด็จไปทอดกระถินที่วัดสมอรายวัดสมอรายเนี่ยก็คือวัดราชาทิวาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอยู่นอกกำแพงพระนครเนี่ยเจ้าว่านี่ท่านเป็นพระที่สืบทอดประเพณีนะรักษาถิ่นลุมนีเอาไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้ต้นไม้เกิดขึ้นจนร่มรื่นนะแต่ท่านก็ดูแลรักษานะใบไม้ร่วงก็ปัดกวาดให้ทางสะอาดสะอา้านมีคราวหนึ่งเนี่ยนะายการที่สอนจะเสด็จไปทอดกระถินที่วัดสมรรัยเจ้าพนัก ง, งานก็มาสำรวจตรวจตราก็เห็นกิ่งไม้ นะเกกะกีดขวางทางพระกฎนะที่จะเสด็จมาก็เลยจะขอตัดกิ่งไม้พ ร, ระเจ้าว่าไม่ยอมนะแม้แค่ตัดกิ่งไม้เนี่ยด้วยผลเพียงแค่ว่าเนี่ยมันกีดขวางพระกฎนี่ตอนเจ้าว่าไม่ยอมนะหลวงพ่อต้องบอกว่าเนี่ยจะเสด็จมาก็ตามจะไม่เสด็จมาก็ตามนะ แต่ห้ามตัดนะสุดท้ายนะแล้วการที่สองนี่พอทราบเรื่องนะก็สั่งห้ามเลยนะไม่ให้เจ้าพนักงานนี้ตัดกิ่งไม้แม้แต่กิ่งเดียวแล้วพง์ก็เสด็จมาทอดกระถินตามที่พง์ได้ทรงมีพระดำริเอาไว้สืบทอดมาจนทั้งสมัยถึงหลวงพ่อชาเนี่ยวันหนองประพง์นี่ สมัยเมื่อห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีป่าที่ร่มครึ้มแต่ว่าก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะเพราะโรคมาลาเรียพระก็ดีชี้ก็ดีไหลคนหลายรูปเนี่ยป่วยพนัก ง, งานตอนที่สารสุขมาก็เสนอแนะว่าให้ตัดต้นไม้เพื่อให้ลมเนี่ยจะได้ไหลผ่านได้สะดวก ให้มันโปร่งๆหน่อยนะยุงมันจะได้ม า, าวางไข่หรือแพร่ระบาดลงมาเรียน้อยลงผมว่าชาต้าไม่ยอมนะถ้าบอกว่าคนจะตายก็แล้วไปก็ตามเนี่ยแต่ว่าต้องเอาป่าไว้อัตมาจะไปก็แล้วแต่แต่รักษาป่าเอาไว้ สุดท้ายนาก็ท่านก็รักษาน้องปลโพงให้รมรื่นเหมือนเดิมอันนี้เป็นธรรมเนียมนะของพระสมัยก่อนรวมทั้งชาวพุทธในอดีตด้วยคือถ้าเห็นความสำคัญของธรรมชาติเห็นความสำคัญของถิ่นรมณีแต่ว่า ดี๋ยนี้ความคิดหรือแนวคิดเนี้มันเลือนหายไปจากพุทธศาสนาเลือนหายไปจากจิตสํานึกของผู้คนมากซึ่งเป็นที่น่าเสียดานะยจนในพระตุโคสอาจารย์ท่านกล่าวว่าเนี่ยโรมณนนีต้องกลับมานะโรมันีต้องกลับมากลับมาสู่จิตใจของผู้คนคือตระหนักเห็นคุณค่าของ เป็นคุณค่าความสำคัญของถิ่นโรมานีกลับมาสู่วัดวาอารามเพื่อให้วัดวาอารามเนี่ยนะมีสถานที่มีธรรมชาติที่รม่มรื่นกเกื้อกูลต่อการปฏิบัติทำความเพียรแล้วก็กลับมาสู่พุทธศาสนาอันนี้เป็นสิ่งทำงานทีเดียวนะอาจารย์ชาสซโรท่านพูดไว้น่าสนใจท่านบอกว่าเนี่ย การสืบ อ, อายุพุทธศาสนาวิธีหนึ่งก็คือสืบ อ, อายุของสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติรักษากายวาจาและเจริญจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นวิธีการสืบต่อสืบ อ, อายุพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนะ เช่นเดียวกันารสร้างโบวถสร้างวิหารจตยามองข้ามความสำคัญของการสืบต่อหรือสืบอายุของสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติผู้ยางก็คือว่าเป็นการสืบอายุถิ่นโรมณีรวมทั้งรักษาที่มีอยู่ซึ่งนับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายเพิ่มพูน ให้มีเนื้อทีนะ่กว้างขวางมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเลย น, นะนอกจากการทาบุญที่วัดนอกจากการรักษาศีลนอกจากการบำเป็นภาวนาแล้วเราต้องช่วยการรักษาอนุรักษ์แล้วก็เพิ่มพูนส่งเสริมถิ่นรมณีให้กว้างออกไปเพราะฉะนั้ น, นในวันวิสาขาบูชาเนี่ยนอกจากเรามาเราลึกถึงพระคุณของพรธเจ้าแล้วเนี่ย มันเป็นโอกาสดีนะที่เราจะมาเราลึกถึงบุญคุณของต้นไม้เรารึกถึงบุญคุณของธรรมชาติตระหนักถึงความสําคัญของชินโรมันนีเพราะว่าต้นไม้ก็ดีธรรมชาติก็ดีชินโรมันนีก็ดีเนี่ยไม่เพียงแต่เกื้อกูลต่อการบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งตัดสรุ้พระสัมมาสัมพธิยานขอ ง, ของพระพุทธเจ้านะแต่ว่ายังเป็นสิ่งเกื้อกูลต่อ การบำเพ็ญภาวนาของพระสงค์องค์พระเจ้าของพุทธบริษัท ต, ตั้งแต่สมัยพุทธกาลสืบต่อมาจนทุกวันนี้อย่ามองข้ามนะความสำคัญของต้นไม้อย่าละเลยนะคุณค่าของถิ่นโรมันีเพราะนั้นเนี่ยนะในปีนี้เนี่ ย, ยจะจึงมีการเชิญชวนนะ ให้มาช่วยกันปลูกต้นไม้กันในช่วงเทศกาลวิสาขาบูชาและโดยเฉพาะในวันนี้ซึ่งมีการเวียนเทียนก็มาชวนกันนะเวยเียนเทียนด้วยต้นไม้นอกเหนือจากดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเป็นอ ม, มิสบูชาแต่ถ้าเราเวียนเทียนด้วยต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่จะเป็นการบูชาคุณของพระเจ้าด้วย ไม่ใช่เป็นการระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้อย่างเดียวแต่เป็นการบูชาคุณของพืชเจ้าเป็นการบูชาด้วยปฏิบัติบูบชาก็คือตั้งใจว่าเมื่อเวียนเียนเสร็จแล้วเราจะเอาต้นไม้ที่เรานำมาเวียนเียนเนี่ยเอาไปปลูกในที่ของเราหรือว่าในสถานที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อขยายชินรมณี ะให้กระจายกว้างออกไปอย่างที่บอกไว้แล้วว่า น, น, นี้เป็นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธอย่างหนึ่งนะนอกจากการมาถวายทานรักษาศีลแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องชาวพุทธในรุ่นของเราและรุ่นต่อๆไปเนี่ยจะต้องรวมกำลังกันช่วยกันสร้างจินโรมณีหรือว่าฟื้นคืนทิมโรมณีให้กลับมาสู่วัดว า, ารามสู่พุทธศาสนา ไดที่ทําการเป็จุลเริ่มต้นกนะ็คือสู่จิตใจของเรานอกจากสํานึกถึงบุญคุณของต้นไม้ของธรรมชาติแล้วเนี่ยยังรวมถึงการบําเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อให้กิเลสเบาบางเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมบ้างเพราะว่าต่างว่ากิเลสเราน้อยลงเท่าไหร่ความมีการตัวน้อยลงเท่าไหร่ถิ่โรมนีเนี่ยมันก็จะกระจายกว้างขวางไปเท่านั้นเนี่ย อย่างมีพุทธพจน์ตัดว่าเนี่ยไม่ว่าในที่บ้านหรือในป่าที่ลุ่มหรือที่ดอนผู้ไกลจากกิเลสอยู่ที่ใดที่นั้นทรายเป็นที่โรมณีเราทําบ้านให้เป็นที่โรมณีได้นะถึงแม้ว่าเราอยู่ในเมืองเราก็ทําบ้านของเราเป็นที่โรมณีได้เริ่มต้นจากการทําใจของเราเนี่ยให้มีกิเลน้อยลงมีอัตตาตัวตนน้อยลงมีความเป็นตัวน้อยลงแล้วก็ ถามยิ่งนั้นคือว่าทำให้บ้านของเราเป็นที่สงบสงัดมีต้นไม้นะมีธรรมชาติที่รม่มรื่นนลกขยายไปสู่วงกว้างขยายไปจนทั้งสู่วัดใกล้ตัวใกล้บ้านของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในปีนี้เนี่ยเรามาเวียนเทียนกันนะที่วัดป่าสุกตโตแล้วก็อีกหลายวัดนะทั่วประเทศเนี่ยก็จะเชิญชวนญาติโยมมาเวียนเทียนกันด้วยต้นไม้ เพื่อเราลึกถึงบุญคุณของต้นไม้และเพื่อเป็นการบูชาคุณของพูะเจ้าด้วยความด้วยการตั้งบนันทานที่จะรักษาปกป้องธรรมชาติเอาไว้และก็นำรมมณีให้กลับมาสู่จิตใจของเราสู่วัดวาอารามของเราสู่พุทธศาสนาของเราและสู่โลกของเราด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ขอเชิญชวนนะบรรยายเสร็จเราก็จะไม่เวียนเทียงกันด้วยกล้ามไม้วก็คำนี้ก็ขอพูดแต่เพียงเท่า น, นี้ขอเจริญพร